แม้เมื่อพระโพธิสัตว์กราบทูลอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชก็ไม่ทรงเชื่อปรโลกเพราะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิอย่างมัน่นจึงตรัสถามว่าผลของบุญมีอยู่หรือแล้วจึงตรัสคาถานี้ว่าท่านเมื่อบอกความสําเร็จแห่งบุญชื่อว่าบอกความอัศจรรย์ถ้าแลเป็นจริงอย่างท่านกล่าวท่านนาระทะ ข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงพยากรณ์ให้ดีบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าคว า, ความสําเร็จแห่งบุญอุญยะสิทธิทิงความว่าท่านเมื่อจะบอกความสําเร็จแห่งบุญคือความที่บุญให้ผลชื่อว่าย่อมบอกความอัศจรรย์นารทฤรืีจึงทูลว่าขอถวายพระพร ข้อใดพระองค์ทรงสงสัยเชิญมหาบาพิตรตรัสถามข้อนั้นกับอาตมาภาพเถิดอาตมาภาพจะถวายวิสัชนาให้มหาบาพิตรทรงสิ้นสงสัยด้วยในด้วยยายธรรมและด้วยเหตุทั้งหลายบรรดาคํำเหล่านั้นคําว่าข้อนั้นเตเวสะอัดโถความว่าอันข้อความที่พระองค์จะพึงถามนั้น คำว่าข้อใดพระองค์ทรงสงสยัยยังสังสยังความว่าพระองค์สงสัยในอัดข้อใดข้อหนึ่งพระองค์จงถามความข้อนั้นกับอัตมาภาพเถิดคําว่าสิ้นสงสยัยนิสังสยะตังความว่าอัตมาภาพจะทำให้พระองค์หมดความสงสยัยคาว่าด้วยในณนะเยหิ ได้แก่ด้วยคาอันเป็นเหตุคำว่าด้วยายาแยธรรมยาเยหิได้แก่ด้วยญาณคำว่าด้วยเหตุทั้งหลายเหตุตุภิได้แก่ด้วยปัจจัยอธิบายว่าอัตมภาพจะไม่กราบทูลโดยเหตุเพียงปฏิญาณไว้เท่านั้นจะกระทำให้พระองค์หมดความสงสัยด้วยการกำหนดด้วยญาณแล้วกล่าวเหตุ และด้วยปัจจัยอันเป็นเหตุให้ทมเหล่านั้นตั้งขึ้นพระราชาตรัสว่าท่านนาระทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านถูกถามแล้วอย่าได้กล่าวมุสาแก่ข้าพเจ้าที่คนเขาพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีประโลคมีนั้นเป็นจริงหรือบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า ที่คนเขาพูดกันชะโนโยมาหะความว่าที่ชนเขาพูดกันอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชถามว่าคำว่าเทวดามีมารดาบิดามีประโลกมีทั้งหมดมีอยู่จริงหรือพระนารทฤาษีจึงกราบทูลว่าที่คนเขาพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามี และประโลกมีนั้นมีจริงทั้งนั้นแต่นรชนผู้หลงงมงายไครในการทั้งหลายจึงไม่รู้ปรโลกบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีจริงทั้งนั้นอัตเทวความว่ามหาบาพิษเทวดามีมารดาบิดามีที่นรชนพูดกันว่าปรโลกมีแม้นั้นก็มีอยู่จริงทีเดียว คำว่าไม่รู้นะวิถูความว่านารชนผู้ติดอยู่ในกามและหลงงม ง, ง, งายเพราะโมหะจึงไม่รู้คือย่อมไม่ทราบประโลกพระเจ้าอังคติราชได้ทรงสดับดังนั้นจึงทรงพระสวนตรัสว่าท่านนาระทะถ้าท่านเชื่อว่าประโลกมีจริง สถานที่อยู่ในประโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีขอท่านจงให้ซับห้0 0้อกหาปณ ะ, ะแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้ข้าพเจ้าจะใช้ให้ท่านหนึ่งพกหาปณ ะ, ะในประโลกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสถานที่อยู่นิเวสนังได้แก่สถานที่เป็นที่อยู่อาศัยคำว่า500รปัญจสตานิ ได้แก่500กหาปณะลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะกล่าวติเตียนในถ้ำกลางบริษัทยินทูลว่าถ้าอัตมภาพรู้ว่ามหาบาพิษ ท, ทรงมีศีลทรงรู้ความประสงค์ของสมณะพราหมณ์อัตมภาพก็จะให้มหาบาพิษทรงยืมสักห0 0กหาปณะแต่มหาบาพิษอยาบช้า ทรงจุติจากโลกนี้แล้วจะต้องไปอยู่ในนรกใครจะไปทวงทรัพย์ 1,000 พกหาปณ ะ, ะในประโลกได้เล่าผู้ใดในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศีลธรรมประพฤติชั่วเหยียดคร้านมีกรรมอันญยาบช้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้นี่ในผู้นั้นเพราะจะไม่ได้ทรัพย์คืนจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลผู้ขยันมันเพียร มีศีลรู้ความประสงค์คนทั้งหลายรู้แล้วย่อมเอาโภกขัพท์มาเชื้อเชิญเองด้วยคิดว่าผู้นี้ทำการงานเสร็จแล้วพึงนำมาใช้คืนให้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถ้าอัตมภาพรู้ชัญญามะเจความว่าถ้าอัตมภาพรู้มหาบพิษว่าผู้นี้เป็นผู้มีศีล เป็นผู้รู้ความประสงค์คือผู้รู้ว่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมมีความต้องการด้วยสิ่งนี้ในเวลานี้แล้วกระทากิจนั้นนั้นถวายเป็นผู้รู้ความประสงค์เมื่อเช่นนี้อัตมาภาพจะยอมให้ทรัพย์แก่ท่าน5้าร้อยกหาปณะนะแต่มหาบพิษเป็นคนหยากเช้าทารุณยึดถือมิจฉาทิฐิหรือโรงทาน ผิดในภรรยาของคนอื่นยุติจากโลกนี้แล้วจะเกิดในนรกใครจะไปในนรกนั้นทวงเอาทรัพย์กะมหาบพิษผู้หยาบช้าอย่างนี้ผู้อยู่ในนรกว่าท่านจงคืนทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะแก่เราคําว่าจากคนเช่นนั้นตทาวิธรรมหาความว่าคนเช่นนั้นเป็นคนเกียรติคร้าน ชื่อว่าการทวงหนี้ที่ให้แล้วย่อมไม่มีคาว่าผู้ขยันทักขังได้แก่ฉลาดในการยังซับให้เกิดคาว่าพึ่งนำมาใช้คืนให้ปุณะมหเรสิความว่าท่านทำการงานของตนแล้วยังซับให้เกิดแล้วนำซับที่มีอยู่มาคืนให้เราอีกคาว่าย่อมเชื้อเชินเอง นิมันตยันติความว่าคนทั้งหลายย่อมเชื้อเชิญด้วยโภคทรัพแม้ด้วยตนเองพระเจ้าอังคติราชอันรนารรือษีกล่าวข่มขู่ด้วยประการชนิก็หมดปฏิพานที่จะตรัสโต้อตอบมหาชนต่างพากันร่าเริงยินดีเล่าลือกันทั่วพระนครว่าวันนี้ท่านนาืฤษีผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มาก ปลดปลื้มิจฉาทิฐิพระเจ้าอยู่หัวได้ด้วยอนุภาพของพระมหาสัตว์ชนชาวมิถิลาผู้อยู่ไกลแม้ตั้งเจ็ดยอก็ได้ยินธรรมเทศนาของพระมหาสัตว์ในขณะนั้นสิ้นด้วยกันทุกคนลำดับนั้นพระมหาสัตว์จึงคิดว่าพระราชานี้ยึดมิจฉาทิฐิเสียมั่นแล้วจาเราจะต้องคุกคา่าด้วยภัยในนรก ใหละมิจฉาทิฐิแล้วให้ยินดีในเทวโลกอีกภายหลังจึงทูลว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์ยังไม่ทรงละมิจฉาทิฐิไซก็จะต้องเสด็จสู่นรกซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีที่สุดแล้วเริ่มกล่าวนิระยะกถาว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเสด็จไปจากที่นี่แล้วจะกทอดพระเนตรเห็นพระองค์เองอยู่ในนรกนั้น ซึ่งถูกฝูงการุมยื้อแย่งฉุดคร่าอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะในประโลกกรรมหาบาพิษผู้ตกอยู่ในนรกถูกฝูงกาฝูงแรง้งฝูงสุนัขรุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฝูงกากาโกลุสังเคหิได้แก่ฝูงกาปากเหล็ก คำว่ารุมวิกัศสมานังความว่าพระองค์จักเห็นพระองค์เองถูกฝูงกายื้อแย่งในนรกนั้นคำว่าพระองค์เองตังได้แก่มหาบาพิษนั้นก็แลพรันรร้นนารทะฤศีพนานาถึงนรกอันเต็มไปด้วยฝูงนกกาแก้เท้าเธอแล้วจึงกราบทูลว่า ถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในที่นั้นก็จักบังเกิดในโลกนตนรกเพื่อจะทูลชี้แจงโลกันตนรกนั้นถวายจึงกล่าวคาถาว่าในโลกันตนรกนั้นมืดที่สุดไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์โลกันตนรกมืดตื้ออยู่ทุกเมื่อน่ากลัวกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏผู้ต้องการทรัพย์คนไรเล่าจะพึงเที่ยวไปในสถานที่เช่นนั้นได้ บรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามืดที่สุดอันทะตะมังความว่ามหาบาพิษมิจชาทิฐิบุคคลบังเกิดในโลกันตะนรกใดในโลกันตะนรกนั้นมืดที่สุดเป็นที่ห้ามการเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณคําว่ามืดตื้ อ, อยู่ทุกเมือ่อสัทาตุมุโลได้แก่นรกนั้นมีความมืดตื้ อ, อยู่เป็นนิด คำว่าน่ากลัวโภระรูปโปได้แก่นรกนั้นเป็นที่หวาดกลัวอย่างยิ่งคือมีชาติน่าสะพึงกลัวเพราะว่ากลางคืนกลางวันไม่ปรากฏสาเนวรติณทิวาความว่าในนรกนั้นกลางคืนกลางวันก็ไม่ปรากฏเหมือนปรากฏในโลกนี้เลยคำว่าคนไรเล่า จะพึงเที่ยวไปโกวิจเรความว่าใครจักเที่ยวไปยังความเพียรพยายามให้สำเร็จเล่าครั้นนาระทะรฤๅษีพรนานาโลกันตานรกนั้นถวายแด่พระเจ้าอังคติราชโดยพิสดารแล้วจึงทูลชี้แจงต่อไปว่าขอถวายพระพลถ้าพระองค์ยังไม่ทรงละมิจฉาทิฏฐิ ก็จะต้องได้รับทุกขเวทนาแม่อื่นอื่นอีกไม่สิ้นสุดแล้วกล่าวคาถานี้ว่าในโลกันตะนรกนั้นมีสุนัขอยู่สองเหล่าคือด่างเหล่าหนึ่งดำเหล่าหนึ่งล้วนมีร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงย่อมพากันมากัดกินผู้ที่จุติจากมนุษยโลกนี้ไปตกอยู่ในโลกันตะนรกด้วยเขี้ยวเหล็ก บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้ที่จุติจากมนุษย์โลกนี้อิโตปะนุนนังได้แก่ผู้เคลื่อนจากมนุษย์สยโลกนี้แม้ในนรกอื่นก็ในนี้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายพึงให้สถานที่นรกทั้งหมดนั้นพิสดารโดยในที่กล่าวแล้วในหนหลังพร้อมกับความพยายามของนายนิระยะบาล น, นั้นแหละ แล้วพึงพรรณนาบทที่ยังไม่ง่ายแห่งคาถานั้นนั้นว่าใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะในประโลกกะมหาบาพิษผู้ตกอยู่ในนรกถูกสุนักอันทารุณร้ายกาศนำทุกมาให้รุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทารุณลุเทหิได้แก่ เียมคําว่าร้ายกาศพาเลหิได้แก่ดุร้ายคําว่านําทุกมาให้อคัมมิเกหิได้แก่ผู้นําความคับแคนมาให้คือนําความลําบากมาให้ในนรกอันร้ายกาศพวกนายนิรยะบาลชื่อกาลูปกาละผู้เป็นข้าศึกพากันเอาดาบและหอกอันคมกริบ สัพฟันทิมแทงนรชนผู้ทำกรรมชั่วไว้ในภพก่อนบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าสัพฟันทิมแทงหะนันติวิชันติจะความว่าพวกนายนิรยาบาลเอาดาบและหอกสับฟันและทิมแทงประทํรร่างกายทั้งสิ้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ตกไปบนแผ่นดินเหล็กอันไฟลุกโชนคำว่า กาลูปกาละกาลูปกาลาได้แก่นายนิรยาบาลทั้งหลายผู้มีชื่ออย่างนี้คําว่าในนรกนิรยมหิความว่านายนิรยาบาลกล่าวคือกาลูปกาละผู้อยู่ในนรกนั้นนั่นเองคําว่าผู้กระทํากรรมชั่วทุกตะกรรมการิงได้แก่ ผู้กระทากรรมชั่วด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิไรเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะในประโลกกะมหาบอพิศผู้ถูกทิ่มแทงที่ท้องที่สีข้างพระอุทนพรุนวิ่งวุ่นอยู่ในนรกตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโซมได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากะมหาบาพิศตังได้แก่ กบพระองค์นั้นผู้ถูกสับฟันทิ่มแทงอยู่อย่างนั้นในนรกนั้นคำว่าวิ่งวุ่นวชันตังความว่าผู้วิ่งไปข้างโน้นข้างนี้คำว่าที่ท้องกุดชิสมิงได้แก่ถูกทิ่มแทงที่ท้องและที่สีข้างในโลกันตะนรกนั้นมีหาฝนต่างๆชนิดคือหอกดาบเลนเหลา มีประกายวาวดังฐานเพลิงตกลงบนศีสะสายอ ส, สนีศิลาอันแดงโชนตกต้องสัตว์นรกผู้มีกรรมอยากช้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีประกายวาวดังฐานเพลิงอังคาระมิวัชิมันโตวความว่าฝนอาวุธมีประกายวาวดังฐานเพลิงที่ลุกโชนตกบนศีสะคำว่า สายอสเนศิลาศิลาสนีได้แก่สายฟ้าดุดศิลาอันแดงโชดช่วงย่อมผ่าลงคำว่าผู้มีกรรมหยาบช้าลุทธกรรมเมความว่า่าฝนสายอสเนศิลาอันลุกโชนตั้งขึ้นบนอากาศแล้วตกกระนำลงบนศีรษะของผู้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นเหมือนสายอสเนผ่าลงในเมื่อฝนตก อันหนึ่งในนรกนั้นมีลมร้อนยากที่จะทนได้สัตว์ในนรกนั้นย่อมไม่ได้รับความสุขแม้แต่น้อยไรเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์ 1,000 พันกหาปณ ะ, ะในประโลกกะมหาบาพิษซึ่งทรงเร่าร้อนกระสบกระสายวิ่งไปมาหาที่ซ่อนเร้นอยู่ได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแม้แต่น้อยอิตรังติ ได้แก่แม้นิดหน่อยคำว่าวิ่งไปมาทาวันตังได้แก่วิ่งพล่านอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หน0 0พันกหาปณ ะ, ะในประโลกกะมหาบาพิษผู้ถูกเทียมในรถวิ่งไปวิ่งมาต้องเหยียบแผ่นดินอันลุกโคลงถูกกระตุ้นด้วยประตักอยู่ได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ถูกเทียมในรถ ระเทสุยุตตังความว่าถูกเทียมที่รถอันทาด้วยโลหะอันลุกโชนนั้นๆตามวาระโดยวาระคำว่าเหยียบกมัมตังได้แก่เหยียบอยู่คำว่าถูกกระตุน้นสุโจทะยันตังได้แก่ถูกเตือนอย่างเข้มงวดใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะในประโลกกะมหาบาพิษ ซึ่งทนไม่ได้วิ่งขึ้นภูเขาอันดาดไปด้วยขวากอันแหลมคมลุกโชนน่าสยดสยองอย่างยิ่งตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโศมได้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่ากะมหาบาพิษวิ่งขึ้นตะมารุหันตังความว่ากะมหาบาพิษผู้อดทนการประหารด้วยอาวุธอันลุกโชนไม่ได้ แล้ววิ่งขึ้นสู่ภูเขาอันล้วนแล้วด้วยโลหะอันลุกโชนดาราดาดไปด้วยคมดาบหอกอันลุกโชนใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะในประโลกกะมหาบาพิษซึ่งต้องวิ่งขึ้นเหยียบกองฐานเพลิงเท่าภูเขาลุกโผลงน่ากลัวมีตัวถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวร้องครวญครางอยู่ได้ บรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีตัวถูกไฟไหม้ฉันทัทะคตังได้แก่ร่างกายที่ถูกไฟไหม้ไปทั่วต้นยิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยน้ําเหล็กพมกริบกระหายเลือดคนบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเต็มไปด้วยน้ํากันตะกาหิจิตาได้แก่เต็มไปด้วยน้ํน า, าอันลุกโผงคําว่า เหล็กอโยมะเยหินี้ท่านกล่าวเพื่อแสดงถึงต้นไม้อันเต็มไปด้วยน้ำเหล็กหญิงผู้ประพฤติล่วงสามีและชายผู้คบหากระทําชู้กับภรรยาผู้อื่นถูกนายนิระยะบาลผู้ทําตามคําสั่งของพญายมถือหอกไล่ทิมแทงให้ขึ้นต้นนิ้วนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าให้ขึ้นต้นยิ้วนั้นต a m a r u หันติ ได้แก่ย่อมขึ้นต้นยิ้วเห็นปานนั้นคําว่าผู้ทําตามคําสั่งของพยายมยมะนิเทศการิพิความว่าอันนายนิรยาบาลผู้กระทําตามคําสั่งของพยายมใครเล่าจะไปทวงทรัพย์จํานวนนั้นกับมหาบาพิษซึ่งต้องขึ้นต้นยิ้วในนรก เ, ร ล, เ, ล, เลือดไหลเประเปื้อนมีกายถูกกําจัดมีหนังปอกเปิก่ก กระสับกระสายสเสวยเวทนาอย่างหนักผู้เหนื่อยหอบมีความผิดเพราะบุรพกรรมตัวเนื้อมีหนังปอกเปิกเป็นสองทางบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีกายถูกกาจัดวิทัตกายังได้แก่มีกายถูกทำลายแล้วคำว่ามีหนังปอกเปิกวิตะจังความว่า เหมือนดอกทองหลางและดอกทองเกา่าเพราะถูกตัดหนังและเนื้อต้นงิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยใบเหล็กคมกริบดังใบดาบกระหายเลือดคนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเต็มไปด้วยใบดังใบดาบอะสิปัตตจิตาได้แก่เต็มไปด้วยใบดาบเหล็กใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะ ในประโลกกมหาบพิษซึ่งขึ้นไปอยู่บนต้นนิ้วนั้นก้าวไปเหยียบใบเหล็กอันคมดังดาบก็ถูกใบงิ้วอันคมนั้นบาดมีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโศมได้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าซึ่งขึ้นไปอยู่บนต้นงิ้วนั้ น, บบ น, ม น, ม น, นมตมานุปัตังความว่ากะมหาบพิษผู้ขึ้นอยู่บนต้นนิ้วนั้น ทนไม่ไหวต่ออาวุธเครื่องประหารของนายนิระยะบาลใครเล่าจะไปขอทรัพย์จํานวนนั้นคืนกับมหาบาพิษซึ่งเดินหนีออกจากคุมนรกม้าิ้วมีใบเป็นดาบไปพลัดตกลงในแม่น้ำเวตารณนีได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพลัดตกลงสัมปติตังได้แก่ตกลง แม่น้ำเวตารณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนยากที่จะข้ามได้ดาดาัดไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบไหลอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแสบร้อนคราได้แก่เผ็ดร้อนคือแสบร้อนคำว่าดาดาัดไปด้วยบัวเหล็กอโยโปคระสันฉันนาได้แก่ ดาดด้วยใบบัวเหล็กอันคมกริบอยู่โดยรอบคำว่าใบาปเตหิได้แก่แม่น้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากผ่านใบเหล่านั้นใครเล่าจะไปทวงทรัพย์นั้นกะมหาบอพิษซึ่งมีตัวขาดกระจัดกระจายเปรอะเปื้อนด้วยโลหิตลอยอยู่ในเวตรณนีนาทีนั้นหาที่เกาะมิได้บรรดาคำเหล่านั้น คำว่าเวตาณีเวตาญเยได้แก่ในเวตาณีนาทีคือแม่น้ำกรดเวตาณีนิระยะกันจบ